นิเทศ 1. สุทธจิตสามัญญะ 1. ปุกคลวานหนึ่ ง, าางอุปาทานิโรธกาลสัมเพทวาน 63. อนุโลมปุชชาจิตของบุคคลใดกำลังเกิดไม่ใช่กำลังดับจิตของบุคคลนั้นจักดับไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัตชนาในอุปาทขนาแห่งปัจฉิมจิตจิตของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดไม่ใช่กำลังดับ แต่จกดับไม่ใช่จะเกิดในอุปาทขณะแห่งจิตของบุคคลนอกนี้จิตของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดไม่ใช่กําลังดับแต่จะดับและจะเกิดปฏิโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดจกดับไม่ใช่จะเกิดจิตของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดแต่กําลังดับ จิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จากดับแต่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุชชาจิตของบุคคลใดไม่ใช่จากดับแต่จะเกิดจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดแต่กําลังดับมีไหมวิจัชนาไม่มี 2. อ, อุ ป, ปาทุ ป, ปันนวาน64อนุโลมปุชชา จิตของบุคคลใดกําลังเกิดจิตของบุคคลนั้นก็เกิดแล้วใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุชชาจิตของบุคคลใดเกิดแล้วจิตของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาในพังคขศนาแห่งจิตจิตของบุคคลนั้นเกิดแล้วแต่ไม่ใช่กําลังเกิดในอุปาทัศนาแห่งจิตจิตของบุคคลเหล่านั้นเกิดแล้วก็ใช่กําลังเกิดก็ใช่อนุโลมปุชชา จิตของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่เกิดแล้วใช่ไหมวิสัชนาะในพังคขณะนแห่งจิตจิตของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่มิใช่ไม่เกิดแล้วบุคคลผู้เขา้านิโรดสมาบัตและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสัญญาสัตตภูมิจิตบุคคของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดก็ใช่ไม่ใช่เกิดแล้วก็ใช่ปฏิรอมพุชา จิตของบุคคลใดไม่ใช่เกิดแล้วจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชณาใช่ 3. นิโรธุปันนวาน65อนุโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดกําลังดับจิตของบุคคลนั้นก็เกิดแล้วใช่ไหมวิจัชณาใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดเกิดแล้วจิตของบุคคลนั้นก็กําลังดับใช่ไหม วิสัชนาในอุปาทขคณะแห่งจิตจิตของบุ้คลเหล่านั้นเกิดแล้วแต่ไม่ใช่กําลังดับในพังคขคณะแห่งจิตจิตของผู้คลเหล่านั้นเกิดแล้วก็ใช่กําลังดับก็ใช่อนุโลมปุจฉาจิตของบุ้คลใดไม่ใช่กําลังดับจิตของผุ้คลนั้นก็ไม่ใช่เกิดแล้วใช่ไหมพิ่ตัดชนาในอุปาทัคณะแห่งจิตจิตของผุ้คลเหล่านั้นก็ไม่ใช่กําลังดับแต่ไม่ใช่ไม่เกิดแล้ว บุคคลผู้เข้านิโรษษสมาบัติแต่บุคคลผู้บัตรอยู่ในอสัญญาสัตต ภ, ภูมิจิตของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับก็ใช่ไม่ใช่เกิดแล้วก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดไม่ใช่เกิดแล้วจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิัชนาใช่ 4. อุปาทวาร 66. อนุโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดกำลังเกิดจิตของบุคคลนั้นก็เกิดเคยเกิด ใช่ไหมวิจัดชนาะใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดเคยเกิดจิตของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาะในพังคขา้าณาแห่งจิตบุคคลผู้เข้านิโรฒสมาบัติแต่บุคคลผู้บัติอยู่ในอาจารย์สัตตภูมิจิตของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่ไม่ใช่กําลังเกิดในอุปาทคณาแห่งจิตจิตของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดก็ใช่กําลังเกิดก็ใช่ อนุโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดจิตของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาเคยเกิดปฏิโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดไม่เคยเกิดจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดมีไหมวิจัชนาไม่มี67อนุโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดกําลังเกิดจิตของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัญนา ในอุปาทัคณะแห่งปัจจิมจิตจิตของผุ้คลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่ไม่ใช่จะเกิดในอุปาทขคณะแห่งจิตของบุ้คลนอกนี้จิตของผู้คลเหล่านั้นกําลังเกิดก็ใช่จะเกิดก็ใช่ปฏิโรมปุจฉาจิตของผู้คลใดจะเกิดจิตของผู้คลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมพิจัชนาในพังคขัคณะแห่งจิตบุคคลผู้เข้าอนุโรหสมาบัติได้บุคคลผู้อุบัติอยู่ในอาศัญยสัตตพูมิ จิตของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่ไม่ใช่กำลังเกิดในอุปาทขณาแห่งจิตจิตของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดก็ใช่กำลังเกิดก็ใช่อนุโลมปุชฌาจิตของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจันาในพังคขทณาหแห่งจิตบุคคลผู้เข้าในิโรธสมา บ, บัติได้บุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญาสัตต ภ, ภ, ภ, ภูมิจิตของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่ไม่ใช่จกไม่เกิด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 68อนุโลมปุชชาจิตของบุคคลใดเคยเกิดจิตของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาในพังคขคณาแหกปันเชมมะจิตจิตของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่ไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้จิตของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดก็ใช่จะเกิดก็ใช่ปฏิโลมปุชชาจิตของบุคคลใดจะเกิดจิตของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ อนุโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดไม่เคยเกิดจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดมีไหมวิจติชนาไม่มีปฏิโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดจิตของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจติชนาเคยเกิด 5. นิโรธวาน69อนุโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดกําลังดับจิตของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจติชนาใช่ ปฏิลมปุจฉาจิตของบุคคลใดเคยดับจิตของบุคคลนั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิจัิชนาในอุปาถขณะแห่งจิตบุคคลผู้เข้าหนีโรธสมาบัตและบุคคลผู้บัตอยู่ในอสัญญาตตภูมิจิตของบุคคลเหล่านั้นเคยดับแต่ไม่ใช่กําลังดับในพันถ้าขณะแห่งจิตของบุคคลเหล่านั้นเคยดับก็ใช่กําลังดับก็ใช่อนุโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดไม่ใช่กําลังดับจิตของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหม วิัชนาเคยดับปฏิโรมปุชฌาจิตของบุคคลใดไม่เคยดับจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับมีไหมวิตัชนาไม่มีเจอนุโลมปุชฌาจิตของบุคคลใดกำลังดับจิตของบุคคลนั้นก็จะดับใช่ไหมวิตัชนาในพังข้าคณแห่งปัจจิมจิตจิตของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับแต่ไม่ใช่จักดับในพังขาณแห่งจิตของบุคคลนอกนี้ จิตของบุคคลเหล่านั้นกําลังดับก็ใช่จากดับก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดจากดับจิตของบุคคลนั้นก็กําลังดับใช่ไหมพิจารนาะในอุปาทขคณาแห่งจิตบุคคลผู้เข้าในโรดสมาบัตและบุคคล ผ, ผู้บัตอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิจิตของบุคคลเหล่านั้นจากดับแต่ไม่ใช่กําลังดับในพังคขณะแห่งจิตจิตของบุคคลเหล่านั้นจากดับก็ใช่กําลังดับก็ใช่อนุโลมปุจฉา จิตของบุคคลใดไม่ใช um. ่กำลังดับจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิตัชนาจักดับปฏิรมปุชฌาจิตของบุคคลใดไม่ใช่จักดับจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิตัชนากำลังดับ71ออนุรมปุชฌาจิตของบุคคลใดเคยดับจิตของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิตัชนาในพังคขณะแห่งปัจฉิมจิตจิตของบุคคลานั้นเคยดับแต่ไม่ใช่จักดับ บุคคลนอกนี้จิตของบุคคลเหล่านั้นเคยดับก็ใช่กําลังดับก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดจักดับจิตของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดไม่เคยดับจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับมีไหมวิจัดชนาไม่มีปฏิโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดไม่ใช่จักดับจิตของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหม วิจัชนาเคยดับ 6. อุปาทานิโรธวาน 7.2 อนุโลมปุจฉาจิตของบุค้คลใดกําลังเกิดจิตของบุ้คล น, นั้นก็เคยดับใช่ไหมพิจัชนาะใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตของผุ้คลใดเคยดับจิตของบุคคบงบ้คล น, นั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาะในพังคข้าขนาแห่งจิต บุคคลผู้เข้าหนีโรดสมาบัตและบุคคลผู้บัตอยู่ในสัญญาจัตตภูมิจิตของบุคคลเหล่านั้นเคยดับแต่ไม่ใช่กำลังเกิดในอุปาทัศนาแห่งจิตจิตของบุคคลเหล่านั้นเคยดับก็ใช่กำลังเกิดก็ใช่อนุโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดจิตของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิตันาเคยดับปฏิโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดไม่เคยดับ จิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดมีไหมวิจัดชนาะไม่มี73อนุโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดกําลังเกิดจิตของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาะใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดจักดับจิตของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาะในพังคขณะแห่งจิตบุคคลผู้เข้าในุรสสมาบัติแต่บุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญาจตภูมิ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 จิตของบุคคลเหล่านั ian, ้นเคยเกิดแต่ไม ha. hmm. ่ใช่จักดับบุคคลนอกจากนี้จิตของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดก็ใช่จักดับก็ใช่ปฏิโรมปุจฉาจิตของบุคคลใดจักดับจิตของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิศัชนาใช่อนุโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดไม่เคยเกิดจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับมีไหมวิจัชนาไม่มีปฏิโรมปุจฉา จิตของบุคคลใดไม่ใช่จักดับจิตของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจติชนาเคยเกิด 7. อุปัชฌมาณ น, นิโรธวาร 7. จอนุโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดกําลังเกิดจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมวิจติชนาใช่ปฏิโลมปุจฉา จิตของบุคคลใดไม่ใช่กําลังดับจิตของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิตัิชนาบุคคลผู้เข้าหนีโรธสมาบัตและบุคคลผู้บัตรอยู่ในสัญญาสัตตภูมิจิตของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังดับและไม่ใช่กําลังเกิดในอุปาทขณาแห่งจิตจิตของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังดับก็ใช่กําลังเกิดก็ใช่อนุโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดจิตของบุคคลนั้นก็กําลังดับใช่ไหม วิจัดชนาะบุคคลผู้เข้าในรสสมาบัติและบุคคลผู้บัติอยู่ในอาจารย์จตภู ม, s <S ม, มจิจิตของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและไม่ใช่กำลังดับในพังค์ขณะแห่งจิตจิตของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดก็ใช่กำลังดับก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดกำลังดับจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะใช่8 ปัชมานุปันนวาน76อนุโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดเคยเกิดอยู่จิตของบุคคลนั้นก็เกิดแล้วใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดเกิดแล้วจิตของบุคคลนั้นก็เกิดอยู่ใช่ไหมวิจัชนาในพังธะขณะแห่งจิตจิตของบุคคลเหล่านั้นเกิดแล้วแต่ไม่ใช่เกิดอยู่ในอุปาธขณะแห่งจิตจิตของบุคคลเหล่านั้นเกิดแล้วก็ใช่เกิดอยู่ก็ใช่ อนุโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดไม่ใช่เกิดอยู่จิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่เกิดแล้วใช่ไหมวิตัิชนาในพันฆาณาแห่งจิตจิตของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่เกิดอยู่แต่มิใช่ไม่เกิดแล้วบุคคลผู้เข้าหนีโรตสมาบัติและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาตตภูมิจิตของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่เกิดอยู่ก็ใช่ไม่ใช่เกิดแล้วก็ใช่ปฏิโรูมปุจฉา จิตของบุคคลใดไม่ใช่เกิดแล้วจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่เกิดอยู่ใช่ไหมวิจัชนาใช่ 9. นิรุตชมานนุปันนวานเจ็อนุโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดดับอยู่จิตของบุคคลนั้นก็เคยเกิดแล้วใช่ไหมวิจัตชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดเกิดแล้วจิตของบุคคลนั้นก็ดับอยู่ใช่ไหมวิจัชนาะ ในอุปาทัศนาแห่งจิตจิตของบุคคลเหล่านั้นเกิดแล้วแต่ไม่ใช่ดับอยู่ในพังคัศนาแห่งจิตจิตของบุคคลเหล่านั้นเกิดแล้วก็ใช่ดับอยู่ก็ใช่อนุโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดไม่ใช่ดับอยู่จิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่เกิดแล้วใช่ไหมวิจัชนาในอุปาทขศนาแห่งจิตจิตของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่ดับอยู่แต่ไม่ใช่ไม่เกิดแล้วบุคคลผู้เข้าหนุโรธสมาบัตได้บุคคลผู้บัตอยู่ในสัญญาัตตภูม จิตของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะดับอยู่ก็ใช่ไ ม, ใชใชไม่ใช่เกิดแล้วก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดไม่ใช่เกิดแล้วจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ดับอยู่ใช่ไหมวิจารณาใช่ 10. อุปันนุปาทวาน 7.8 อนุโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดเกิดแล้วจิตของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจารณาใช่ปฏิโลมปุจฉา จิตของบุคคลใดเคยเกิดจิตของบุคคลนั <lucky cosa? S 1> ้นก็เกิดแล้วใช่ไหมวิจตัญนาบุคคลผู้เข้าหนโรสสมาบัติและบุคคลผู้บัตรอยู่ในสัญญาสัตตภูมิจิตของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่ไม่ใช่เกิดแล้วบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยจิตจิตของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดก็ใช่เกิดแล้วก็ใช่อนุโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดไม่ใช่เกิดแล้วจิตของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจตัญนาเคยเกิดปฏิโลมปุจฉา จิตของบุคคลใดไม่เคยเกิดจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่เกิดแล้วมีไหมวิทัชนาะไม่มี 79. อนุโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดเกิดแล้วจิตของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิทัชนาะบุคคลผู้พร้อมเพรียงโดยปัจจิมัจิตจิตของบุคคลเหล่านั้นเกิดแล้วแต่ไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้พร้อมเพียงด้วยจิตจิตของบุคคลนั้นเกิดแล้วก็ใช่จะเกิดก็ใช่ ปฏิรมปุจฉาจิตของบุคคลใดจะเกิดจิตของบุคคลนั้นก็เกิดแล้วใช่ไหมวิจารณาบุคคลผู้เข้าในุ่ยโรดสมาบัตและบุคคลผู้บัตอยู่ในอาจารย์ยจตภูมิจิตของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่ไม่ใช่เกิดแล้วบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยจิตจิตของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดก็ใช่เกิดแล้วก็ใช่อนุลมปุจฉาจิตของบุคคลใดไม่ใช่เกิดแล้วจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจารณา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 จิตของบุคคลใดจะเกิด hmm. จ okay. so so ิตของบุคคลนั้นไม่ใช่เกิดแล้วจิตของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจารนาใช่อนุโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดไม่เคยเกิดจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ไม่เกิดแล้วจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดมีไหมวิัารนาไม่มีปฏิโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดจิตของของบุคคลนั้น มีใช่ไม่เกิดแล้วจิตของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิตัชนาเคยเกิด 12. อุปันุปปชะมานาวาน81อนุโลมปุจฉาจิตที่เกิดแล้วก็ชื่อว่าเกิดอยู่ใช่ไหมวิตตชนาะในปังคขณะจิตเกิดแล้วแต่ไม่ใช่เกิดอยู่ในอุปาทขณะจิตเกิดแล้วก็ใช่เกิดอยู่ก็ใช่ปฏิโลมปุจฉา จิตที่เกิดอยู่ก็ชื่อว่าเกิดแล้วใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาจิตที่ไม่ใช่เกิดแล้วก็ชื่อว่าไม่ใช่เกิดอยู่ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตที่ไม่ใช่เกิดอยู่ก็ชื่อว่าไม่ใช่เกิดแล้วใช่ไหมวิทัชนาในพังคข้าขาจิตไม่ใช่เกิดอยู่แต่ไม่ใช่ไม่เกิดแล้ว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 วิจัรณาในพังคขณะจิตล่วงไปทุกอุปาทขณะแต่ยังไม่ล่วงพังคะขณะจิตที่เป็นอดีตร่วงไปทุกอุปาทขณะก็ใช่ล่วงไปทุกพังคะขณะก็ใช่ปฏิรลมปุจฉาจิตของบุคคลใดล่วงไปทุกทุกขณะที่ดับอยู่ชื่อว่าล่วงการแล้วจิตของบุคคลนั้นล่วงไปทุกทุกขณะที่เกิดอยู่ก็ชื่อว่าล่วงการแล้วใช่ไหมวิจารนาะจิตที่เป็นอดีต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 จิตของบุคคลนั้นล่วงไปทุกทุกขณะที่ไม่ใช่เกิดอยู่ก็เชื่อว่าล่วงการแล้วใช่ไหมวิตัชนาในพังคคขณะจิตไม่ล่วงพังค ข, ขณะแต่ไม่ใช่ไม่ล่วงอุปาทขณะในอุปาทขณะจิต ท, ที่เป็นนาคตไม่ล่วงพังค ข, ขณะก็ใช่ไม่ล่วงอุปาทขณะก็ใช่นิเทศแห่งปุกคาวานจบ